ทำไมพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้ชาวพุทธเรามันพิจารณากันอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาลวงพ้นความแก่ไปไม่ได้เราเกิดมาแล้ว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 ล่วงพ้นความพัดพรากจากกันไปไม่ได้ทำไมจึงสงสอนให้พิจารณาทำเหล่านี้เพราะทำเหล่านี้เป็นเหมือนแสงสว่างในที่มืดนั่นเองเวลาที่เราอยู่ในที่มืดถ้าเราไม่มีแสงสว่างเราจะมองอะไรไม่เห็น เราอาจจะเกิดภัยอันตรายกับเราก็ได้แต่ถ้าเรามีแสงสว่างเราก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆในที่มืดได้ที่ถ้ามีอะไรเป็นภัยอันตรายเราก็อาจจะหลบได้หรือกำจัดมันได้แต่เราจะไม่เดินเข้าไปหามันอย่างแน่นอน ถ้าเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายแต่ถ้าเราไม่มีแสงสว่างในที่มืดเราก็จะไม่เห็นเราก็อาจจะเดินเข้าไปหาสิ่งที่เป็นภัยเป็นอันตรายต่อเราได้ใจของพวกเราตอนนี้ก็เป็นเหมือนความมืดที่มืด ใจของเราตอนนี้ถูกความมืดบอดของโมหะความหลงของอวิชชาความไม่รู้ความจริงมันหุ้มหอ่อจิตใจของพวกเราจึงทำให้ใจของพวกเรามืดบอดแล้วทำให้พวกเรานั้นไปทำอะไรต่างๆที่เป็น เป็นอันตรายต่อจิตใจของพวกเราทำให้จิตใจของพวกเราทุกทรมานใจเศร้าโศกเสียใจกันเพราะเราไม่มีแสงสว่างในที่มืดแทนที่เราจะเดินหนีสิ่งที่เป็นภยัยเป็นอันตรายเรากลับเดินเข้าหาสิ่งที่เป็นภยัยเป็นอันตรายกันนั่นเอง แล้วเราก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเรามีแสงสว่างในที่มืดเราจะเห็นสิ่งต่างๆเราจะเห็นสิ่งที่เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่เป็นภัยหรือสิ่งที่ไม่เป็นภัยเป็นประโยชน์เราก็จะได้เลือกเดินเข้าหาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ แล้วเดินหนีสิ่งที่เป็นโทษเป็นอันตรายต่อจิตใจของพวกเรานั่นเองอการที่เราได้ถ้าเราได้พิจารณาทำกันอยู่เนืองว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพลาดพลาดจากกันมันก็จะทำให้เราไม่หลงไม่อยากได้ อะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พอเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปนั่นเองทำให้เราไม่โลภไม่อยากาทำให้เรามีความมักน้อยสันโดษอยู่พอมีพอกินก็พอแล้วมีมาก เกินไปตายไปก็เอาไปไม่ได้แล้วจะทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราไม่วุ่นวายไม่ห่วงใยไม่วิตกไม่กังวลคือสรุปแล้วก็จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลก็ตาม หรือเป็นสิ่งของต่างๆหรือเป็นเหตุการณ์ต่างๆหรือเป็นร่างกายของเราหรือของผู้อื่นเราจะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องมีการพัดพรากจากกันไปรเราก็จะพยายามทําใจลดการยึดมั่นถือมั่น ลดการยึดติดกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆกับร่างกายต่างๆถ้าเรายังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้เราจะได้รู้ว่าเราต้องมาปฏิบัติธรรมกันเพราะการปฏิบัติธรรมจะช่วยให้เราปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ ปล่อยวางร่างกายเราได้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมถึงแม้เราจะพิจารณาอยู่เนืองๆเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดการพัดพลากจากกันขึ้นมากับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเราก็ยังอาจจะเสียใจเศร้าใจได้แต่ถ้าเรา มาปฏิบัติธรรมมาหัดทำใจให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆบุคคลต่างๆได้ต่อไปเวลาเกิดการพัดพลาคจากกันเราจะได้ไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เศรา้าโศกเสียใจไม่หวาดกลัวไม่วิตกไม่กังวลอ่า ก่อนที่เราจะไปปฏิบัติทมกันเราก็ต้องรู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มันพิจารณาทำที่พ พ, พุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองเองเราก็จะเผลอลืมได้แล้วก็จะทำให้เราไปหลงกับการ หาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราแล้วเราก็จะไม่มีเวลาไม่คิดที่จะมาปฏิบัติธรรมมาทําใจให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆดังนั้นเราควรที่จะพิจารณากันอยู่ทุกวันพิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆ แล้วมันจะคอยเตือนใจเราว่าอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าไปหลงกับร่างกายของเราว่าเพราะว่ามันจะมันจะต้องมีการสิ้นสุดลงมีการพัดพากจากกันไปหาสิ่งต่างๆหาบุคคลต่างๆมาแต่เป็นแทบตาย มาแล้วก็ได้ความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวพอถึงเวลาที่จะต้องจากกันก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันขณะที่อยู่ด้วยกันก็ต้องคอยวิตกคอยกังวลหวาดกลัวกับการสูญเสียหวาดกลัวกับการพัดพากจากกันเพราะเราไม่มีแสงสว่างแห่งธรรม ที่จะคอยเตือนใจเราให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราไปรักไปชอบไปอยากได้อยากมีอยากเป็นมันเป็นของชั่วคราวมันจะต้องมีการพัดพรากจากกันในวันใดวันหนึ่งไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พวกเราหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองๆคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้รวมไปถึงร่างกายของเราด้วยร่างกายของเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปถ้าเราไม่คิดเราก็จะลืมแล้วเราก็จะไปทุ่มเทเวลา ความคิดให้กับการหาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วเราก็ต้องมาทุกข์มาวุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆแล้วก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปหมดแต่ถ้าเรามันพิจารณาอยู่เนืองๆเราก็จะ รู้ล่วงหน้าว่าสิ่งที่เราอยากได้กันอยากมีอยากเป็นกันมันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ถาวรได้มาแล้วก็จะต้องมีวันที่จะต้องจากกันพัดพรากจากกันถ้าเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนคิดไว้ก่อนพออยากได้สิ่งต่างๆมันก็จะทำให้เรา ถามตัวเองว่าเอามาทำไมเอามาให้ทุกข์ไปเปล่าๆ เ, เอามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาวุ่ตกกังวลหวาดกลัวร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจสู้อยากไปเอามันดีกว่าแต่ถ้าใจเรายังไม่มีกำลังสู้ความหลงสู้ความอยากก็แสดงว่าเรายังขาดทมที่จะหยุด ใจเราไม่ให้ไปอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งต่างๆมันก็จะทำให้เราจำเป็นที่จะต้องมาฝึกใจมาหยุดใจให้ได้หยุดความอยากต่างๆให้ได้ถึงแม้เราอาจจะรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นของชั่วคราวจะต้องมีการพากผ้าจากกัน แต่ถ้าเราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากก็อาจจะหยุดมันไม่ได้เพราะเวลาเกิดความอยากแล้วมันจะมีความรู้สึกทรมานใจเป็นอย่างมากถ้ายังไม่ได้สิ่งที่อยากได้มันก็จะทําใหา้ฝืนความอยากไม่ไหวต้องไปทาตามความอยากเพื่อที่จะได้ ทำให้ความทรมานใจนั้นหายไปแล้วเราก็จะต้องมาเสียใจในภายหลังเมื่อสิ่งที่เราอยากได้มามันจากเราไปหรือมันหมดไปดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถห้ามใจเราหยุดใจเราได้ไม่ให้ไปทำตามความอยากต่างๆได้ เราก็ต้องมาสร้างกําลังให้กับใจสร้างธรรมะที่จะมาทำให้ใจของเราดิหยุดความอยากได้ฝืนความอยากได้สู้ความอยากได้ทมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างเพื่อหยุดความอยากก็คือสติและปัญญา ปัญญาตอนนี้เราก็มีอยู่แต่มีอยู่น้อยมีเช่นมีตอนที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันเราก็จะได้ยินว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันแต่พอเราไม่ได้ฟังธรรมมันก็หายไปเหมือนเบิดไฟไว้พอปิดไฟเราก็ความมืดก็จะกลับเข้ามา สิ่งต่างๆที่เรามองเห็นตอนที่เปิดไฟก็จะมองไม่เห็นหลังจากฟังธรรมแล้วเราจึงต้องเอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้เห็นภาพเห็นความจริงเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมถ้าเราเห็นเราจะได้ยับยั้งความอยากได้ถ้าเป็นความอยากที่ยับยั้งไม่ได้ก็แสดงว่าใจของเรายังมีกำลังสู้ความอยากนั้นไม่ได้ก็เราเราก็จำเป็นที่จะต้องมาสร้าง กำลังที่จะทำให้ใจของเราสู้กับความอยากที่เรายังสู้ไม่ได้เราก็ต้องไปเจริญสติกันถ้าเรามีสติแล้วเราเอามาใช้กับปัญญาที่เราได้เรียนรู้ได้พิจารณาเราก็จะสามารถระงับความอยากได้สิ่งต่างๆได้ระงับความอยาก ที่จะให้ร่างกายของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะเรารู้ด้วยปัญญาว่าร่างกายของเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราห้ามมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของธรรมชาติธรรมชาติเป็นผู้สร้างร่างกายแล้วธรรมชาติก็จะเป็นผู้ทําลายร่างกายนี้ไป ถ้าเรารู้ด้วยปัญญาแล้วเรามีกําลังของสติหยุดใจได้เราก็จะหยุดความอยากที่ไม่ที่อยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไม่อยากพัดภาคจากกันได้พอเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจความเศร้าโศกเสียใจความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดจาก ความอยากนี้มันก็จะหายไปหมดใจของเราก็จะสงบเย็นสบายไม่เดือดร้อนกับความแก่กับความเจ็บกับความตายไม่เดือดร้อนกับการพัดพลากจากกันแต่ถ้าตอนนี้ใจเรายังเดือดร้อนอยู่ยังกลัวความแก่อยู่กลัวความเจ็บอยู่กลัวความตายอยู่ กลัวการพัดพากจากกันอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่มีกำลังพอที่จะหยุดความกลัวหยุดความอยากที่ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาเราก็ควรที่จะไปฝึกสติกันไปเจริญสติกันการเจริญสตินี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ควรไป อยู่วัดกันเพื่อไปเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เพื่อเป็นการหยุดหยุดความคิดด้วยการสร้างสติขึ้นมาสตินี้เป็นธรรมที่จะหยุดความคิดต่างๆได้ถ้ายังหยุดความคิดไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีสติถ้าหยุดความคิดไม่ได้ก็จะหยุดความอยากไม่ได้เพราะความคิดจ คิดอยู่กับเรื่องที่อยากอยู่เรื่อยๆพอเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความทรมานใจเป็นอย่างมากจนทําให้ไม่สามารถทนสู้กับความอยากได้แต่ถ้ามีสติหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ความทรมานใจที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วต่อไปความอยากก็จะหมดไป ถ้าทุกครั้งที่เกิดความอยากขึ้นมาเราก็ใช้สติสู้กับมันหยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดอย่าปล่อยให้มันอยากอต่อไปความอยากมันก็จะหมดกําลังไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความทุกข์สร้างความทรมานใจให้กับเราเอ ตอนนี้เราพอจะมีปัญญาพอจะรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงร่างกายของเราก็ไม่เที่ยงจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายจะต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาแต่ถ้าใจของเรายังไม่สบายใจ เวลาที่เราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็สแสดงว่าเรายังไม่สามารถหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่ได้หยุดความอยากไม่พัดผยากกันไม่ได้เราก็ต้องไปฝึกสติไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อที่จะหยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้ ถ้าเราหยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้ได้แล้วต่อไปเวลาเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายคิดถึงการพักผ้กจากกันเราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนจะไม่หวาดกลัวจะรู้สึกเฉยเฉยเพราะใจหยุดความอยากห้ามความอยากที่เป็นตัวสร้างความกลัว สร้างความทุกข์ทรมานใจได้ดังนั้นการที่เราหมั่นพิจารณาทำอยู่เรื่องๆเพื่อจะได้เป็นการเตือนใจสอนใจให้เตรียมรับกับการพัดพลากจากกันนั่นเองแล้วถ้าเรายัางทำใจไม่ได้เราก็จะได้ไปปฏิบัติทำกันไปสร้างสติกัน ไปสร้างปัญญากันที่ตอนนี้อาจจ ะ, ะมีบ้างไม่มีบ้างเราต้องมีสติมีปัญญาตลอดเวลาถึงจะสามารถคุ้มครองรักษาใจของเราไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆได้เพราะเหตุการณ์ต่างๆนี้มันจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาทีถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนอ เวลาเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์สูญเสียต่างๆขึ้นมาเราจะทำใจไม่ได้หรือเวลาเกิดความอยากได้สิ่งต่างๆขึ้นมาเราจะไม่สามารถหยุดมันได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาอย่างต่อเนื่องอย่างมีอยู่คู่กับใจเราตลอดเวลา เหมือนกับอาวุธที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารเขาจาเป็นจะต้องพกพาอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องใช้อาวุธนั้นเมื่อไรถ้าปล่อยอาวุธเอาไว้ที่บ้านออกไปข้างนอกโดยไม่พกพาอาวุธเวลาไปเกิดเหตุการณ์ที่จาเป็นจะต้องใช้อาวุธก็จะไม่มีใช้จิตใจของเราก็จาเป็นที่จะต้องมีอาวุธ ไว้คุ้มครองอาวุธที่จะคุ้มครองใจของพวกเราก็คือสติและปัญญานี่เอปัญญาก็คือการพิจารณารมอยู่เนืองๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเห็นอะไรก็พิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องจากกันถ้าไม่อยากให้จากกันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้ารู้แล้วก็ห้ามใจไม่ให้ไปอยากให้ไม่จากกันได้เวลาจากกันก็จะไม่ทุกข์ใจดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะมาสร้างกันให้มากๆก็คือสติและปัญญาการที่เราจะสร้างสติและปัญญาได้อย่างมีออได้อย่างมากมาย นั้นต้องอยู่ที่สถานที่ที่สงบและไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นมาคอยรบกวนการสร้างสติสร้างปัญญานี้ที่ที่เหมาะสมต่อการสร้างสติสร้างปัญญาก็คือตามวัดวาอารามที่มีการปฏิบัติธรรมวัดที่มีการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ส่งเสริมการเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นวัดที่เหมาะต่อการที่เราจะไปสร้างสติสร้างปัญญากันถ้าเป็นที่ที่ไม่มีการส่งเสริมการเจริญสติเจริญปัญญาถึงแม้จะเป็นวัดก็ไม่เหมาะสมเพราะจะไม่ได้อาวุธสำคัญคือสติและปัญญา ทำอย่างอื่นก็มีความสําคัญแต่ไม่สําคัญเท่ากับสติปัญญาเช่นการทําบุญทําทานการรักษาศีลความจริงการทําบุญทําทานการรักษาศีลก็เป็นเครื่องมือเป็นธรรมที่จะสนับสนุนให้เราได้มาเจริญสติได้มาเจริญปัญญากันนั่นเองเพราะว่าการทําบุญนี้ ก็จะเป็นการดึงเอาใจของเรามาเข้าวัดกันแทนที่จะไปเที่ยวกันแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวเราก็เอาเงินมาทำบุญมันก็จะเป็นการดึงใจให้เข้าวัดแล้วพอทำบุญแล้วก็จะทำให้เรารักษาศีลได้เมื่อเรารักษาศีลได้เราก็จะอยู่วัดได้ แล้วเราก็จะได้มีเวลามาเจริญสติมาเจริญปัญญากันเนี่ยนี่คือเรื่องของธรรมอย่างอื่นทำบุญทำทานก็เพื่อที่จะดึงใจของเราให้มาวัดเพื่อจะหยุดไม่ให้ใจไปหาความสุขตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปซื้อข้าวของที่ไม่จาเป็นต่างๆ เอาเงินทองที่จะไปเที่ยวไปซื้อของไม่จำเป็นนี้เอาไปทำบุญแล้วมันจะทำให้เราไม่ต้องใช้เงินทองมากเพราะว่าเราจะไม่ติดเที่ยวไม่ติดการซื้อของที่ไม่จำเป็นต่างๆเราก็ไม่ต้องใช้เงินมากเมื่อเราไม่ใช้เงินมากเราก็ไม่ต้องหาเงินมาก เมื่อเราไม่หาเงินมากเราก็จะมีเวลาว่างมากมีเวลาที่จะไปเข้าวัดได้มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมได้นั่นเองถ้าเราใช้เงินไปตามความอยากต่างๆเราจะใช้เงินมากเพราะว่าใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะความอยากมันไม่หมดไปกับการใช้เงินตามความอยาก มันกลับจะทำให้มีความอยากใช้เงินเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราต้องไปหาเงินมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราไม่มีเวลาว่างไม่มีเวลาที่จะไปทำบุญที่วัดไม่มีเวลาที่จะไปรักษาสีนไปปฏิบัติธรรมดังนั้นถ้าเราอยากจะใช้เงิน ใครใช้โดยวิธีที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับใจเราใช้ด้วยการทําบุญทําทานเพราะจะทําให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มลดความหิวความอยากที่จะไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปหาความสุขทางตาหูจมูกลินกายต่างๆแล้วจะทําให้เรา ไม่ต้องใช้เงินมากเมื่อไม่ต้องใช้เงินมากก็ไม่ต้องหาเงินมากก็จะทำให้เรามีเวลามาสร้างธรรมที่สูงขึ้นก็คือมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็ยังจะมีเรื่องวุ่นวายต่างๆเช่นถ้าเราไปรักขโมยไปประพฤติผิดประเวณี ไปฆ่าสัตว์ก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆทำาตามมาได้ทำให้เราจะต้องไปวุ่นวายแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการไม่รักษาศีลที่เกิดจากการทำบาปของเราได้แต่ถ้าเรารักษาศีลได้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการทำบาปมันก็จะไม่มีแลวมันก็จะทำให้เรา ใจของเราไม่วุ่นวายทำให้มันง่ายต่อการที่จะไปเจริญสติง่ายต่อการที่จะไปเจริญปัญญาต่อไปพอเรารักษาสีนห้าได้แล้วมันก็จะทำให้เรามีกำลังที่จะรักษาสีลแปดต่อไปเพราะถ้าเราไม่รักษาสีนแปดเราก็อาจจะไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้ กาเวลาเราถือศีลห้านี้เรายังไปเที่ยวได้ยังไปกินไปดืม่มไปทาอะไรต่างๆได้อยู่แต่ถ้าเราถือศีลแปดมันก็จะทำให้เราไปทำอะไรไม่ได้จะทำให้เรามีเวลาที่จะมาเจริญสติมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเช่นถ้าเราถือศีลแปดเราก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องการรับประทานอาหาร หลังจากเที่ยงวันไปแล้วเรื่องรับประทานอาหารก็ถือว่าจบไปใจเราจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารเย็นรับประทานอาหารตอนบ่ายรับประทานขนมนมเนยอะไรต่างๆตามความอยากเกะเราไม่ต้องรับประทานร่างกายก็อยู่ได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็จะได้ ไม่ต้องมาวิตกมากังวล ม, มาวุ่นวายกับการหาอะไรมารับประทานเราก็จะได้ไปเดินจงกมนั่งสมาธิได้อย่างออย่างต่อเนื่องไม่ต้องมาเสียจังหวะเดี๋ยวต้องมาหยุด ร, ร, รับประทานนู่นรับประทานนี่มันก็จะทําให้การเจริญสติเจริญปัญญาไม่ต่อเนื่องไม่ได้ผลมาก แต่พอเราถือศีลแปดได้เราก็จะมีเวลาว่างเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมเอาเวลาที่เราจะไปใช้กับกิจกรรมอย่างอื่นที่เราถือศีลแปดแล้วทำไม่ได้เช่จนจะไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวก็ไม่ได้ไปตามลงมหาหอเล่าศพแหล่งบรรเทิงต่างๆก็ไปไม่ได้จะไปแสมสวยความงามของร่างกายก็ไม่ได้ จะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรต่างๆก็ไม่ได้แม้แต่นอนก็นอนมากเกินไปก็ไม่ได้ให้นอนพอกับความต้องการของร่างกายคือให้นอนบนพื้นแข็งๆจะได้นอนไม่มากเวลาที่ร่างกายได้นอนหลับพักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะพื้นมันแข็งนอนไม่สบาย ถ้าไปนอนบนฟูกหนาๆเดี๋ยวมันก็อยากจะนอนต่ออีกเวลาตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่เอาก็จะเสียเวลากับการหลับนอนแต่ถ้าถือศีลแปดแล้วก็จะนอนไม่มากนอนที่ละอย่างมากแค่ห้าหกชั่วโมงก็พอก็จะได้มีเวลาลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อถ้าเรามีการ มีเวลาสำหรับการปฏิบัติเนีเราก็จะได้ปฏิบัติกันถ้าไม่มีเวลาถึงแม้อยากจะปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัติเราต้องหาเวลาให้กับการปฏิบัติให้ได้ก่อนด้วยการถือศีลแปดด้วยการไปอยู่ในสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกที่ไม่มีเรื่องราวต่างๆไม่มีเหตุการณ์ต่างๆมาคอยรบกวนใจ มีแต่การปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นการปฏิบัติแบบอตัวใครตัวมันไม่ต้องมาปฏิบัติรวมกันแยกกันไปปฏิบัติเพราะถ้ามารวมกันแล้วเดี๋ยวก็อดที่จะคุยกันไม่ได้เดี๋ยวมันจะต้องรอกันไปรอกันมาแต่ถ้าเราไปคนเดียว อยู่คนเดียวเราจะปฏิบัตินานหรือจะเดินมากหรือเดินน้อยจะนั่งมากนั่งน้อยเราก็ทำได้ทาอัธยาศัยของเราการที่ไปปฏิบัติรวมกันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังปฏิบัติไม่เป็นต้องไปฝึกไปเรียนรู้วิธีปฏิบัติรู้ว่าเดินจงกรมเดินอย่างไรนั่งสมาธินั่งอย่างไรแต่พอรู้แล้วต่อไปก็ ไปปฏิบัติของตอนเองจะดีกว่าเพราะเวลาปฏิบัติรวมกันนี้ความรู้สึกมันไม่เหมือนกับการที่อยู่คนเดียวการปฏิบัติคนเดียวนี้มันรู้สึกวว้ยๆจิตมันจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายกว่าการที่ไปปฏิบัติอยู่กับหลายๆคนเพราะจิตมันก็ยังคิดยังนึกถึงคนรอบข้างอยู่นั่นเองอันนี้ก็ เป็นเรื่องของการเตรียมเ ว, เวลาเตรียมสถานที่ให้กับการปฏิบัติพอมีเวลามีสถานที่แล้วอันต่อไปก็ต้องปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการสร้างสติเป็นเบื้องต้นต้องสร้างสติขึ้นมาให้ได้ก่อนถึงจะสามารถนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้แล้วเมื่อทําใจให้สงบได้แล้วก็จะสามารถ เอาปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณากันอยู่เนืองๆมาหยุดความอยากต่างๆได้พอรู้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันมันก็จะทําให้เราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรแล้วพอเรามีสติมีสมาธิเราก็จะหยุดความอยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรต่างๆได้นะ แล้วต่อไปใจเราก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจของเราก็จะสงบมีความสุขไปตลอดนี่คือประโยชน์ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราหมั่นพิจารณารมกันอยู่เนื่องๆมันจะทําให้เราหูตาสว่างไม่หลง ไม่หลงไปกับความความหลอกลวงของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาถ้าเราไม่หมั่นพิจารณาธรรมเราก็จะลืมเราก็จะหลงเราก็จะลืมไปว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็จะลืมว่าเราจะต้องพัดพากจากสิ่งต่างๆมันก็จะทำให้เราอยากได้สิ่งต่างๆ มาให้ความสุขกับเราแต่เราก็จะได้ความสุขชั่วคราวเดี๋ยวเดีย ว, เ, ยวเพราะสิ่งต่างๆมันก็เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีการพัดพาจากเราไปสิ่งบางอย่างนี้จากเราไปอย่างรวดเร็วเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเช่นเวลาเราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็ใช้ เราก็ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสของสถานที่ต่างๆเหล่านั้นอการได้เสพได้สัมผัสก็มีความสุขแต่พอกลับมาบ้านเอเราก็ความสุขเหล่านั้นก็หายไปมันก็จะพุทําให้เรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ทําให้เราอยากจะไปหาอรูปเสียงกลิ่นรสของสถานที่ต่างๆอีกเอ มันก็จะดึงให้เราต้องออกไปเรื่อยๆไปหาความสุขเรื่อยๆแล้วพอเราไปเจอเวลาที่ร่างกายเราแก่ร่างกายเราเจ็บเนืในร่างกายเราจะตายไม่สามารถไปหาความสุขต่างๆเหล่านี้ได้เราก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากนี่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้หมันพิจารณาธรรมอยู่เนืองๆ ถ้าเราหมั่นพิจารณาทำอยู่เนือ ง, องมันจะทำให้เราลดละความอยากได้ถึงแม้จะลดไม่ได้ถึงแม้จะละไม่ได้หมดอย่างน้อยก็อาจจะทำให้มันเบาบางลงไปแล้วมันจะทำให้เรามีโอกาสมีเวลาที่จะได้ไปปฏิบัติธรรมกันแต่ถ้าเราไม่พิจารณากันเลย ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพัดพากจากกันเนี่ยเราก็จะลืมเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยเราจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพากจากกันมันก็จะทําให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หาความสุขจากคนนั้นคนนี้หาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้หาความสุขจาก สถานที่นั่นสถานที่นี่มันก็จะหาไปเรื่อยๆหามาแล้วหมดไปก็หาใหม่หาไปแล้วหมดไปก็หาใหม่หาไปจนกว่าจะสะดุดสะดุดก็คือไม่สามารถหาได้เช่นเงินทองอาจจะหมดอันนี้ก็จะทําให้พอสะดุดแล้วทีนี้ก็จะทุกข์แล้วหรือถ้าร่างกายไม่สามารถที่จะไปหาได้ นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาแก่ชราหรือเวลาจะใกล้ความตายเข้าไปตอนนั้นมันจะไม่มีความสุขมันจะมีแต่จะความทุกข์ความทรมานใจแต่ถ้าเรามันพิจารณาทำอยู่เนืองเนืองมันจะทำให้เรา รู้ว่าเรายังมีสิ่งที่เรายังต้องทำอยู่เรารู้ว่าการไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากสถานที่ต่างๆจากบุคคลต่างๆนั้นเป็นการไปหาความทุกข์ในบ้านปลายในช่วงที่เราไม่สามารถที่จะไปหามันได้สู้เราไปหาธรรมกันดีกว่าไปหาธรรมที่จะมาหยุดความอยาก ที่จะไปหาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราหยุดความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้สิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราจะได้รับความสุขจากการที่เรามีสติมีปัญญารักษาใจของเราให้นิ่งให้สงบไม่ให้มีความอยาก เราจะมีความสุขอีกรูปแบบหนึง่งที่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่มันจะไม่มาทำให้เราต้องทุกข์ทรมาร์ตใจมันจะไม่มาทำให้เราเสียอกเสียใจเศร้าโศกเสียใจ ใจของเราจะมีความสุขตลอดเวลาถ้าเรามีธรรมคือสติปัญญาคอยคุ้มครองคอยรักษาใจของเราไม่ให้ดิน้นไม่ให้อยากไปกับสิ่งต่างๆนี่คือธรรมที่เราควรจะกระทากันคือการสร้างสติสร้างปัญญากันเกิดจากการที่เราเห็น ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตของเราว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพัดภาคจากกันแต่ถ้าเราไม่เห็นถ้าเราไม่พิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เราก็จะไม่เห็นเราก็จะลืมเรื่อนเราต้องหมั่นพิจารณาอย่างน้อยก็ต้องมีเวลาที่เราควรจะพิจารณากันเช่นตอนเช้าก่อนตื่นนอนขึ้นมา ก่อนที่จะไปทำอะไรนี้ก็ก่าพ้าก่อนแล้วก็ให้เราลึกถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเระลึกว่าเราเกิดมาแล้วต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาต้องมีการพัดภาคจากกันไปเป็นธรรมดาเป็นคติเตือนใจก่อนที่เราจะลุกไปทำอะไรแล้วเราจะได้ถามตัวเราเองว่าเรากำลังจะไปทำอะไร เราไปทําอะไรทําเพื่ออะไรถ้าเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําก็ไปทําแต่ถ้าทําเพื่อตามความอยากก็อย่าไปทําดีกว่าเช่นถ้าต้องไปทําหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้จําเป็นก็ไปทําแต่ถ้าจะไปเพื่อหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆจากสถานที่ต่างๆ ก็อย่าไปดีกว่าเพราะต่อไปมันจะต้องมีวันที่เราจะไม่สามารถไปได้แล้ววันนั้นมันจะทำให้เราทุกทรมานใจสู้เราเอาเวลาที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมดีกว่าหลันี่คือการเริ่มต้นของชีวิตของเราในแต่ละวัน ควรจะมีธรรมะพิจารากันก่อนว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรทำสิ่งที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นทำเพื่อกิเลสหรือทำเพื่อธรรมะเราจะได้แยกแยะออกถ้าเราจะไปทำเพื่อกิเลสเราก็จะได้ตัดมันไปเสียลดมันไปเอาเวลาไปทำเพื่อธรรมะดีกว่าเอาเวลาไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิดีกว่า แต่ถ้าเป็นงานที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ไปทำได้เช่นต้องไปหาเงินมาซื้ออาหารมาสำหรับจ่ายค่าใช้ใจ่ายต่างๆเพื่อเลี้ยงดูร่างกายอันนี้จำเป็นต้องทำก็ไปทำแต่ถ้าจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆก็อย่าไปดีกว่าไปหาที่สงบดีกว่าไปที่ เราสามารถจเจริญสตินั่งสมาธิได้ดีกว่านี่คือการชการพิจารณาทำร่งพิจารณากันตั้งแต่เริ่มต้นของแต่ละวันเลยเพื่อเราจะได้ไม่ถูกความหลงหลอกให้เราไปผิดทางไปทางของกิเลสมันก็จะพาเราไปสู่ความทุกข์พาเราไปสู่การ เวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดเนีแต่ถ้าเราไปในทางทำมันก็จะพาเราไปสู่ความสุขพาไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นอย่างน้อยทุกวันเราต้องพิจารณาตอนเช้าก่อนจะออกไปทำอะไรก็พิจารณาก่อนและขณะที่ที่ทำก็ต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเรากาลังทาเพื่ออะไรทาเพื่อ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือทำเพื่อกิเลสตัณหาหรือทำเพื่อธรรมต้องคอยสอดส่องดูพฤติกรรมของเราถ้าทำเพื่อกิเลสตัณหาก็พยายามยับยั้งมันถ้าทำเพื่อธรรมก็ทำไปทำเพื่อร่างกายเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ทำไปต้องคอยหมั่นเตือนใจสอนใจเรื่อ ย, อยในตลอดระยะเวลาในการ ไปทําอะไรต่างๆกคอยพิจารณาอยู่เนื่องๆว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันนะเราจะไปทําอะไรเพื่อทิ้งมันไปทําไมเพราะเดี๋ยวเราก็ตายไปแล้วไปทํากับสิ่งที่เราสามารถเอาไปได้ดีกว่าก็คือทําความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะติดอยู่กับใจเราไปตั้งแต่ยังไม่ตาย และหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วมันก็ยังจะติดไปกับใจของเราต่อไปในขณะที่ร่างกายเราแก่เราเจ็บเราตายความสุขใจนี้จะมาะปกป้องไม่ให้ใจของเราต้องมาทุกข์มาเศร้าโศกเสียใจต้องมาหวาดกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายนี้คือการพิจารณาธรรมเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะดำเนินชีวิตของเรา ไปในทิศทางใดถ้าเราไม่พิจารณาทำเดี๋ยวเราก็จะลืมแล้วเราก็จะมุ่งไปสู่การหาความสุขในปัจจุบันหาความสุขจากของที่ไม่เที่ยงหาความสุขจากจากจากสิ่งต่างๆที่เราต่อไปจะไม่สามารถหาได้เวลาที่ร่างกายเราแก่เราเจ็บเราตายแล้วเวลานั้นเราก็จะมีแต่ความทุกข์ เพราะเราไม่มีความสุขใจมาคอยคุ้มครองใจของเราไม่ให้ไปทุกข์ไกลกับความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองอันนี้คือการพิจารณาทำอยู่ตรงเนืองวันหนึ่งพิจารณาหลายๆรอบบ่อยๆพระพุทธเจ้าเคยถามพระอนุนว่าอนุนวันหนึ่งเธอเคยพิจารณาความตายสักกี่ครั้งพระอานุนก็ตอบว่าก็ประมาณสี่ห้าครั้งห้าหกครั้ง เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหรือบางช่วงบางเวลาที่นึกได้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอานุ์เธอยังประมาทอยู่การพิจารณาแบบนี้ยังไม่พอเพียงต่อการที่จะทําให้ใจของเธอไม่ต้องมาทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆกับการสูญเสียของสิ่งกับสิ่งต่างๆถ้าเธอไม่อยากจะทุกข์ เธออยากจะปลอดภัยจากความทุกข์เธอต้องพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกให้ดันึกอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพัผ่าๆจากกันมีเวลาไหนว่างก็นึกมันไปเรื่อยๆคอยตั้งเป้าว่าต่อไปนี้เราจะนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้อยู่เรื่อยๆแล้วดูซิว่าเราจะทําได้ไหมลองทําสติติดูวันนี้นึกถึงความแก่ความตาย นึกถึงการพัดพากจากกาันได้สักกี่ครั้งตั้งแต่ก่อนมาฟังเทศน์นี้เคยนึกถึงมันบ้างรอเปล่าวันวันหนึ่งว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกาันตอนนี้เราได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วดูสิว่าหลังจากฟังธรรมแล้วเราจะเอาไปพิจารณาได้บ้างหรือไม่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเจ้าก้าวหน้า ในรมอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การหมั่นพิจารณาทำเหล่านี้อยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่พิจารณาแล้วเราก็จะหลงจะลืมแล้วเราก็จะเหมือนประมาทเราก็จะไม่ไปทากิจที่เราเพึงจะกระทาคือไปปฏิบัติธรรมไปสร้างสติไปสร้างปัญญากันเราก็จะไปหลงไปกับความหลงความอยากเห็นอะไรชอบก็อยากได้เห็นอะไร ได้ยินอะไรก็อยากได้ก็เลยจะไปหาสิ่งต่างๆตามความอยากโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะมาสร้างสติสร้างปัญญาที่จะมาคุ้มครองรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับสิ่งต่างๆพอถึงเจอเหตุการณ์เจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตาย ก็จะต้องทุกขทรมานใจแล้วก็ไม่ใช่ทุกทรมานใจเฉพาะชาตินี้เท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความอยากที่มีอยู่ในใจมันก็ยังไม่ตายไปกับร่างกายมันก็จะดึงให้ใจกลับไปเกิดใหม่กลับไปทุกข์ใหม่ไปทุกข์กับความแก่ความเก็บความตายกับการพัดภากจากกันใหม่ มันก็จะพาไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนะถ้าเราไม่หยุดความอยากของเราการที่เราจะหยุดความอยากของเราได้เราก็ต้องมีอะไรคอยเตือนใจเราไม่ให้ไปทำตามความอยากก็มีให้พิจารณา ร, รมที่พระเจ้าทรงสอนให้พิจารณานี่แหละที่จะทาให้เราที่จะเตือนใจให้เรา ฝืนความอยากสู้ความอยากหยุดความอยากแล้วถ้าเรายังสู้ไม่ได้ฝืนไม่ได้เราก็ต้องไปปีกวิเวกไปถือศีลแปดไปเจริญสติไปเจริญปัญญาด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าเราไปบ่อยๆไปเรื่อยๆต่อไปกำลังของสติของปัญญาก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วเราก็จะสามารถกําจัดความอยากต่างๆไปได้ตามลําดับความอยากมันก็มีหลายชนิดมีแบบง่ายก็มีแบบยากก็มีเราก็เอาของง่ายๆก่อนอันไหนที่เราเลือกได้เราก็เลือกไปก่อนแล้วค่อยๆต่ล่อมเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปหาตัวที่ยากขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยๆเอ ความอยากกัของภายนอกเนี่ยมันง่ายเลิกได้ง่ายเช่นอยากเที่ยวอยากอะไรนี้มันง่ายกว่าแต่ความอยากที่มันใกล้ตัวเรานี้มันก็จะยากขึ้นไปอตอนต้นเราก็เอาความอยากที่ง่ายก่อนอันไหนที่ง่ายก็สู้กับมันไปก่อนเลิกมันไปก่อน เ, อเลิกหาลาบยศสารเสริญเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลินน้นกายไปก่อน แล้วค่อยมาสู้กับความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราก็เข้าไปเรื่อยๆจนถึงความอยากที่อยู่ในแก่นหัวใจให้มันหมดไปจากใจพอมันหมดแล้วทีนี้ก็จะไม่มีอะไรมารบกวนใจไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์สร้างความทรมานใจต่อไปใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาทุกข์กับการพัดพากจากกันอีกต่อไปอันนี้เป็นธรรมที่เราจะต้องไปเสริมไปสร้างกันจะเสริมไปสร้างก็ต้องอาศัยนี่ละการพิจารณาธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองๆอันนี้ทำได้เดี๋ยวนี้ทำได้เลยเพียงแต่ให้คิดเท่านั้นเอง ให้พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพัดพาาจากกันเป็นธรรมดาให้คิดอย่างนี้บ่อยๆเรื่อยๆอยแล้วมันจะทำให้เราเปลี่ยนทิศทางของการดาเนินชีวิตของเราจากการที่จะไปหาความสุขจะตามความอยากต่างๆเราก็จะบอกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว แล้วมันไม่มาช่วยเราตอนที่เราแก่เราเจ็บเราตายตอนที่เราไม่สามารถทำตามความอยากได้ความอยากมันไม่มาช่วยเรามันกลับมาบีบคั้นจิตใจของเราให้เกิดความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากคนบางคนทรมานทุกข์ทรมานใจจนถึงอยากจะฆ่าตัวตายแต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ฆ่าตัวความอยากที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมานใจ ฆ่าไปก็ไม่ได้ทําให้ความทุกข์ทรมานใจหายไปเป็นการฆ่าผิดคนคนที่ควรจะฆ่าผู้ที่ควรจะถูกฆ่าก็คือความอยากแต่กลับไปฆ่าร่างกายเพราะคิดว่าฆ่าร่างกายแล้วความทุกข์ทรมานจะหายไปมันไม่หายเพราะความทุกข์ทรมานใจมันอยู่กับมันเกิดจากความอยากและความอยากมันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ถ้าจะฆ่าความอยากนี่ต้องฆ่าด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการปฏิบัติธรรม น, นี่ก็คือธรรมที่เราควรที่จะหมั่นพิจารณากันอยู่เนืองๆว่ามันจะทําให้เราเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตของเราจากการที่ลุ่มหลงกับการไปหาความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญะ ก็จะทำให้เรามาหาความสุขจากการปฏิบัติธรรมดีกว่ามาหาความสุขจากการทำบุญทำทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาและเราจะได้ความสุขที่จะอยู่กับเราที่จะคุ้มครองรักษาใจของเราเวลาที่ใจของเราต้องไปเจอ กับความแก่ความเจ็บความตายเจอกับการพัดภาคจากกันใจของเราก็จะไม่ทุกข์ใจของเราก็จะสุขเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเราก็จะไม่ไปมีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปเพราะเข็ดแล้วรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากกันเป็นธรรมดา ถ้าไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายไม่อยากจะพัดภาคจากกันก็อย่าไปมีร่างกายการจะไม่มีร่างกายก็ต้องไม่มีความอยากใช้ร่างกายหาความสุขนั่นเองก็ต้องมาหยุดความอยากหยุดความอยากด้วยการเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาจะมา จเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาก็ต้องมีเวลาจะมีเวลาก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของการดำเนินชีวิตของเราจากการเอาเวลาไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลื่นลดต่างๆก็ให้หานเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติธรรมจะเอาเวลามาได้จะมาปฏิบัติธรรมได้ก็ต้องพิจารณาอยู่เนือง ว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ไปเป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไปเป็นธรรมดาย่อมตายไปเป็นธรรมดาย่อมมีการพัดพากจากกันไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายการพัดพากจากกันไปไม่ได้ถ้าเรามีการพิจารณาทำอย่างนี้อยู่เนแนวแล้วรับรองได้ว่าเราจะเปลี่ยนทางเดินของชีวิตของเรา แล้วเราก็จะไปสู่ความสิ้นสุดของความทุกข์ตามลำดับต่อไปนี่คือทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายการพัดพากจากกันอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆเพราะจะทำให้เร า, าไม่หลงไปกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะมันเป็นกองทุกข์มันไม่ใช่เป็นกองสุข เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันหมดไปนั่นเองให้เราไปหากองสุขจากการปฏิบัติทมกันแล้วเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรต่อไปเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันยิ่งขอให้ท่านจงนำเอาทำที่พระเจ้าทรงสอนให้พิจารณาอยู่นเ น, นืองนี้ให้เอาใบหมันพิจารณาเอาไปปฏิบัติ แล้วความสุขและความเจริญความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายก็จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาไ ร, ปรเปเรนติสาคลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตุสัพเพโปรเอนโตสังกปาจันโตปนาระโสยทาเมณิโชติหราโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพารโควินัสสตุ มาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสิิตสะนิจังอุทาปจายโนจตารุธรรมวทาติอายุวันโนสุขังภาลางลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรม ใครมีคําถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วขออนุญาตงดถามเพราะถามตอนนี้มันจะเป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ทุกคนจะได้ยินได้ยินทั้งคําถามได้ยินทั้งคําตอบนะแต่ถ้าไม่อยากจะถามเป็นการ เปิดเผยก็เขียนข้อความมาก็ได้แล้วให้ผู้อ่านอ่านข้อความให้อ่านคำถามให้อย่างนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เพราะคนมีฟังกันมากเนี่ยวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ไม่ทราบวันนี้ Facebook, เฟ e บุ๊ k อ่าหนึ่งร้อยเก้าสิบหกค่ะอ่ายู u ูบหนึ่งร้อยสามสิบสี่แล้วก็ร a ด i โอสิบสองค่ะ Facebook มีปัญหาเลย ทงสัญญาณทางเราองไปดีครับธรรมดาไม่เคยตามทึ้งขนาดร้อยกว่าครับอ่ส่วนใหญ่ก็สามร้อยกว่าท้าสาวอาทิตย์อ่าก็ไม่เป็นไรก็แบกก็ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ยูทูปปกติแลมีใครจ้างมาแบบ a c e b o ๊ k ว่ามีปัญหาไม่มีมีแจ้งมาว่าเสียงขาดกับแจ้งมาว่าเสียงขาดกับเสียงกับเสียงหายไปเลยเงี่แต่ผมก็ ย่งกลับไปไว่าให้เขาลองปิดแล้วเปิดเครื่องมาอ่านะอาจจะเป็นเหตุนั้นก็ได้บฟังไม่ไดนเสียงเขาก็เลยไม่ฟังกันอืก็เลยเข้ามาน้อยน้อยกว่าน้อยกว่าเป็นพวกอันที่จะเปิดแล้วปิดแล้วเปิดใหม่อพวกที่ทําไม่เป็นก็เลยปิดไปเลยย้ายไปเลยอ่าไม่เป็นไรก็เพียงแต่เป็นการทําสติติ่เท่านั้นเองจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไร แต่เป็นอย่างไรก็รับได้เหลือคนเดียวก็ได้ไม่มีคนฟังเลยก็ยิ่งดีจะได้ไม่ต้องถ่ายทอดให้มันเหนื่อยเพราะเราไม่มีรายได้ไม่มีประโยชน์อะไรจากการทำมาก็มาไม่มาก็ไม่มางั้นเอาคำถามทางบ้านทางเทียบก่อนนะคำถามจากทาง YouTube นะคะจากคุณนุชปัจจัยสี่เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยการสร้างกุฏิสง์ก็ได้บุญเพราะเป็นปัจจัยสี่แต่สงสัยเข้าว่าการสร้างพระเพื่อเป็นพุทธานุสติกับการถวายอาหารผลของทานนั้นเหมือนกันไหมคะหรือการบอกบุญให้หลายๆคนมาสร้างพระได้อานิสงฆ์มากกว่าเพราะเห็นคนสมัยนี้ยึดติดอานิสงฆ์ค่ะ คือการจะให้อะไรนีผู้ให้เนี่ยได้ได้รับบุญเหมือนกันขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทองที่ผู้ให้เสียสละไปแต่ประโยชน์ที่เอาไปใช้กับสิ่งต่างๆนี้ไม่เหมือนกันเพราะว่าสร้างกุฏิก็จะมีที่อยู่อาศัยสร้างพระพุทธรูปก็จะได้มีมีสิ่งที่จะเตือนสติ มีสิ่งที่เราจะได้กราบไหว้บูชาเวลาที่เราทำกิจกรรมร่วมกันแล้วมันก็มีประโยชน์ไม่เหมือนกันแล้ว ก, ก็ต้องให้ขึ้นอยู่กับเหตุผลคือว่าควรจะมีมากมีน้อยเท่าไหร่อะไรมากเกินไปก็ไม่มันก็ไม่ไม่ไม่ดีเพราะมันไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรอะไรนน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นของต่างๆที่เรา บ่อยจากสร้างกันนี้มันก็ขอให้มันเป็นไปตามเหตุผลไม่ใช่มีพระพุทธรูปเป็นร้อยรูปพันรูปอยู่ในวัดอย่างนี้มันก็มากเกินไปคจริงมีองค์เดียวก็พอเช่นพระประธานวันนี้ก็มีอยู่องค์เดียวแค่นี้ก็พอพอเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าให้เราได้รำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่า น, นี้ก็พอไม่จําเป็นจะต้องมาสร้างเป็นสิบสิบรูป ประดิษฐ์ถานตามจุดต่างๆในวัดอันนี้ก็เป็นเรื่องของประโยชน์ของสิ่งต่างๆที่เราเบริจาคทรัพย์ของเราไปทําแต่บุญคือประโยชน์ที่เราผู้ให้ได้รับอยู่ที่การเสียสละการบริจาคทรัพย์ของผู้ให้จะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ว่าให้มากให้น้อยหมายถึงในคนคนเดียวกันนะ คนคนเดียวกันถ้าบริจากร้อยบาทกับบริจาคพันบาทนี่ผลมันจะต่างกันความรู้สึกมันจะต่างกันความสุขใจอิ่มใจปลื้มใจมันจะต่างกันอันนั้นหละคือบุญก็คือความสุขใจอิ่มใจปลื้มใจคำถามจากคุณกัญญานุษย์ข้อที่หนึ่งหลังจากการนั่งสมาธิทำไมหัวมันตื้อๆคิดอะไรไม่ค่อยออกค่ะ เคยได้ยินแต่ว่ามันปลอดโปร่งโลกสบายเพรามันนั่งไม่ได้ผลมันถึงเป็นอย่างนั้นนั่งแล้วต้องต่อสู้กับกิเลสอยู่ตลอดเวลามันก็เหนื่อยพอเริกมันอาจจะตื่ได้แถ้านั่งแล้วชนะกิเลสกิเลสมันถูกน็อกเนี่ยจิตจะเบาจะล่งจะสบายยังต้องพยายามฝืนนั่งต่อไปเรื่อยๆมันก็ถ้ามันเป็นอาการก็ให้รู้ว่ามันก็เป็นของชั่วคราว เดี๋ยยวก็หาไปข้อที่สอง <c oughs> เคยได้ยินว่าไม่ต้องแผ่เมตตาให้กับศัตรูหมู่มารเพราะจะทำให้เขามาว น, น, นเวียนอยู่ใกล้เราอาจจะสร้างความเดือดร้อนหรือความทุกข์ใจแก่เราได้เป็นความจริงหรือไม่คะพระอาจารย์ไม่จริงหรอกการแผ่เมตตานี่ให้เราแผ่กับคนที่ทุกคนที่เราไปพบปะ ต้องแผ่ต่อต่อหน้าคนที่เราพบปะกันไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือจะเป็นศัตรูที่เจอใครก็ทักทายเขาสวัสดีครับยกมือไหว้อะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาแล้วแสดงความมีไมตรีจิตความเมตตาก็คือความมีไมตรีจิต เ, เจอศัตรูก็ยกมือไหว้เขาสวัสดีเขาไปส่วนเขาจะรับไม่รับกามเรื่องของเขาแต่เรามีหน้าที่แผ่ก็แผ่ไป คำถามจากคุณพนมพรขอแนวทางการสร้างกุศลละกรรมบทสิบและการหลีกเลี่ยงอกุศละกรรมบทสิบครับก็สร้างมันสิทามันกุศลกุศลละบทสิบมีอะไรนะ่ะก็ทำไปอกุศลสิบมีอะไรก็อย่าไปทำมัน น, นั่นเองเราก็จำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างลองไปเปิดหนังสือดูเอาคำถามจากคุณบีนี่ มีบทสวดมนต์บทไหนที่ควรสวดทุกวันให้ชีวิตดีคะ อ, อ๋อไม่มีหรอกถ้าจะสวดให้ชีวิตดีไม่มีหรอกแต่ถ้าจะสวดให้จิตดีเนี่ยสวดบทไหนก็ดีเท่านัออ้นสวดแล้วจะได้สติได้สมาธิได้ปัญญาครก็สวดได้ทุกบทคำถามจากคุณปัญหาัฒคนไข้าอาการหนักควรทําจิตยอย่างไร เราเป็นพยาบาลเราสามารถให้เขาระงับความทุรนทุรายได้อย่างไรบ้างเจ้าคะก็ต้องให้ธรรมะเขาเท่านั้นถ้าเขารับได้ให้เขาทําใจให้สงบเช่นให้เขาพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไ ป, ไปหรือถ้าเขาพิจารณาทําได้ก็พิจารณาว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้ละมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่อยากจะทรมานใจก็ปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปห้ามมันไม่ได้ คำถามจากคุณรจนาอยากเรียนถามว่าแม่ท่านดื่มสุรามากแกชอบซื้อมาไว้ดื่มด้วยเวลาเราไม่เจอขวดสุราที่แกซื้อไว้เราเอาสุราไปทิ้งเราจะบาปไหมเจ้าคะาเป็นของแม่เราไปขโมยของก็ บ, บาปดังนั้นนั่นต้องขออนุญาตก่อนเนคำถามจากคุณชีวิตนี้มีสาระทำสมาธิท่องพุทโธ ท, ทุกวัน แต่มีวันหนึ่งไปซื้อข้าวสารที่ตากแบ่งเป็นกิโลและเขาตักหกบนพื้นที่บนพื้นที่เดินแล้วเขาเก็บข้าวสารที่หกบนพื้นในร้านใส่รวมมาขายให้ขนาดที่ตาเห็นใจนึกจะบอกเขาว่าไม่เอาช่วยตากของดีในกระสอบแต่ปากไม่ยอมพูดได้แต่ยืนดูเขาทำและเห็นในจิตในความคิดตัวเองไม่ให้โต้ตอบ ให้ดูจิตเหมือนถูกตรึงไว้ภายในและในจิตบอกว่าคงเป็นกรรมของเราถึงไม่สามารถโต้อตอบเขาได้จนรับของจ่ายเงินและกราบจึงเกิดความสงสัยว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับการภาวนาไหมหรือมีปัญหาอะไรโปรดเมตตาชีนน้แนะด้วยเจ้าค่ะก็เราอาจจะไม่อยากจะไปยุ่งกับเขามื่อเขปล่อยเขาทาไปก็ดีใจเราจะได้ไม่วุ่นวาย ไ ม, มไม่ไปมีปัญหากับเขาได้ก็เรียกว่าจะว่ามีอุเบกขาก็ได้วางเฉยใครจะทำไรก็ทำไปปิดถูกได้ชั่วก็เรื่องของเขาขอให้เราอย่าทาก็แล้วกันตอนนี้คำถามหมดค่ะหลวงพ่อเมาน้อยนะแป๊บเดียววันนี้คนเข้ามาน้อยในเป็นลาเดียวนั่งพักเดียวเขาขาดเปียนถามนะครับ อความความอยากไม่เกิดอีกแล้วถือเป็นกี่หลาด้านดีใช่ไหมครับท่านแล้วเราควรจะพิจารณาตรงนี้อย่างไรเพื่อให้จเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปครับนะครับรก็ต้องไปละเหตุที่ทําให้เรามาเกิดนเหตุที่ทําให้เรามาเกิดก็คือตัณหาทั้งสามประการความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็น นะเครื่องมือที่จะทําให้เราลบความอยากได้ก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาก็จะไม่มีกําลังสู้กับความอยากได้ดังั้นก็ต้องไปรักษาศีลเน้ำต้นที่สีหน้าแล้วก็ไปที่ศีลแปดแล้วก็ฝึกจเจริญสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบหลังจากออกจากสมาธิมาก็ให้คิดทางปัญญาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา อย่าไปอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็จะหยุดความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นได้มันก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดได้ครับ ข, ขอบคุณครับถามที่สองครับสำหรับเพื่อนหรื อ, อเพื่อนหรือญาติมิตร ท, ที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้ อ, อริยสัจสี่นะครับ ท้ายที่สุดแล้วถ้าเขาตายเกิดตายเกิดในสังสารวัตรแล้วเนี่ยจิตสุดท้ายวันหนึ่งก็จะมีวันที่จะได้รับรู้อวศสัช ส, สีหมายถึงในลักษณะการเวลาที่เป็นอ่าอินฟินิตี้นะครับจิตสุดท้ายทุกคนในบนโลกนี้ต้องกลับไปสู่ที่นิพพานใช่หรือไม่ครับ อ, อ๋อไม่กลับไปหรอกถ้าไม่มีธรรมะพาไปมันไม่ไปหรอกถ้ามีกิเลสมันก็จะพาไปเวียนว่ายตายเกิดไปไม่มีวันสิ้นสุดต้องมีธรรมะพาไป ต้อมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาพาพวกเราไปถ้าเราไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่มีวันไปถึงบ้านิพพานได้มันไม่ไปของมันเองโดยอัตโนมัติหมดหรือยังมีอีก ไ, ไหมคำถาม ค, คาถามสุดท้ายครับท่านมี ญาติญาติเป็พ่อคุณแม่ที่ที่ที่อายุมากแล้วตัวเราเนี่ยพยายามที่จะส่งเสริมให้ท่านได้เข้าใกล้ธรรมได้มีศีลไดอปฏิบัตินักสมาธิแต่เรากลัวว่าตัวท่านอาจจะมีเวลาเหลือน้อย ในเวลาที่เหลืนอน้อยซึ่งกำหนดไม่ได้ น, นี้นอกจากพาท่านมาวัดมาฟังธรรมรักษาศีลแล้วนั่งสมาธิเรามีอะไรที่ทำได้ดีมากกว่านี้ไหมครับท่าน <es> ก็มันก็อยู่ที่ตัวท่านเราหน้าที่ของเราก็คือพาให้เขาไปพบธรรมส่วนเขาจะรับได้มากได้น้อยมันก็อยู่ที่ตัวเขาเราทำได้เท่านี้ละทำให้เขาได้พบกับธรรมเช่นพามาวัด หรือถ้าอยู่บ้านก็เปิด YouTube เปิดอะไรให้เขาดูให้เขาฟังไปส่วนเขาจะรับไปได้มากน้อยก็อยู่ที่ตัวเขาขอบคุณครับอาจารคำถามจากทางเฟ e บุ o กต่อนะคะจากคุณสบายใจดีนั่งสมาธิแล้วพอมีความรู้สึกคิดมีความคิดเข้ามาจิตไปรู้สึกถึงสิ่งที่ไวไหวข้างในสักพักสิ่งไวไหวก็ดับ แล้วจิตก็นิ่งสงบควรปฏิบัติต่ออย่างไรเจ้าคะถ้านิ่งสงบจริงก็ไม่ต้องทำอะไรก็ปล่อยมันนิ่งสงบไปนี่ที่ถามนี่คงยังนิ่งไม่สงบจริงเพราะสงบจริงมันจะมีความสุขมากมันจะไม่ถามว่าจะทำอะไรต่อมันก็อยากจะให้มันสงบอย่างนั้นไปนานๆอฉะนั้นคิดว่ายัางไม่ใช่นิ่งสงบจริงถ้า น, นิ่งสงบจริงแล้วมันจะร้องอ๋อ สุกหนอสุกหนอะไม่อยากมีอะไรไม่อยากได้อะไรอ่ะมาส ก, การค่ะหลวงพ่อจะให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องการเบริกบุญนะคะพอดีหนูมีย่าเป็นน้าเป็นเขาบอกว่าเออเราสามารถเบิกบุญอุทิศย่าได้หนูก็ถามว่าเอาอะไรอุทิศเขาไม่ได้ใส่บาตรเขาบอกก็ที่เราทำในอดีตหนวงพ่อ เ, เลยบอก เราไปทมพ่อเองดูเขาก็แล้วก็ไม่เคยเบิกบุญนะบุญมันทำไปแล้วมันก็อมันก็จะว่าหมดมันก็ไม่หมดงแต่ว่ามันมันก็ผ่านไปแล้วมันอยู่ในใจเราแล้ ว, ลวอถ้าเราอยากจะอุทิศเราก็ต้องเอาบุญใหม่เออ แสดงว่าสิ่งที่หนูเข้าใจว่าการที่เราจะทําอะไรรื้ออุทิศบุญทุกๆครั้งทุกๆวันหนูคิดส่วนตัวหนูคิดว่าเราต้องทําบุญทุกๆวันเราถึงจะได้ให้ทุกๆวันได้นก็ที่ชาวบ้านใสายบาต้องวันเนี่ยสายแล้วเขาก็อุทิศบุญไปทุกครั้งเจ้าค่ะเขาไม่ไปเบิกบุญของเมื่อวานนี่อะไรเจ้าค่ะศสตร์ผมไม่รูมันอยู่ตรงไหนแล้วหามันไม่เจอแล้ว คำถามจากคุณสุพนิดาการเจริญปัญญาหลังจากออกจากสมาธิแล้วเราจะยืนเดินนอนได้ไหมคะได้ทำได้ไดในทุกิริยาบทเลยเพราะเราใช้ความคิดพิจารณาทำแต่เวลานั่งสมาธิต้องอยู่ในท่านั่งถึงจะสงกเต็มที่คำถามจากคุณวรนุสใส่บาศเสร็จพระให้พรเราควรนั่งหรือยืนคะคะ พระท่านยืนค่ะตามหลักแล้วไม่ควรจะให้พรมินเบญทบาทตามธรรมเนียนมมันไม่ใช่เป็นการให้เวลาให้พรรับบาศเสร็จพระท่านก็ไปแล้วนี่มาสมัยนี้ไม่ทราบใครก็เขาไปสอนให้ให้ให้พรก็แล้วแต่สะดวกยืนก็ได้นั่งก็ได้ขอให้เราแสดงการเขารบรับพรเราไปก็ได้วกันคำถามจากคุณลาวัน จิตที่สงบอยู่กับความสงบความว่างอยู่ขณะสมาธิและไม่ทำสมาธิเป็นปกติสุขทุกๆวันถูกต้องไหมคะไม่เข้าใจคาถามอ่านหนี่ยจิตที่สงบอยู่กับอยู่กับความสุขความ udes, ว่างอยู่อยู่ขณะสมาธิและไม่ทำสมาธิเป็นปกติสุขทุกๆวันถูกต้องไหมคะ ไม่รู้หมายก็ไม่ทำสมาธิไม่ทำสมาธิน่าจะทำสมาธิไม่ทำสมาธิก็สุขทุกๆวันเป็นปกติสุขอก็ดีเลยก็ดีเลยก็ได้อย่างนั้นก็ดีที่ต้องทำสมาธิเพราะมันไม่สุขถ้ามันสุขแล้วก็ไม่ต้องทำสมาธิก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ท่าไม่ต้องทำสมาธิก็ได้เพราะจิตท่านสุขตลอดเวลาจิตท่านไม่มีความทุกข์ แต่ของพวกเรามันไม่สุกนี่มันสุกเดี๋ยวเดียวเดียเด๋ยวหายแล้วเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโลภแล้วเดี๋ยววุ่นวายใจแล้วออก็เลยต้องไปทำสมาธิให้มันหายหายโกรธหายวุ่นวายใจคาถามจากผู้ฝากถามนะคะปกติเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งขัดสมาธิตามปกติและนั่งไปเรื่อยๆไม่เป็นอะไรแต่พอตอนจะออกจากสมาธิและต้องแผ่ส่วนกุศลนั้น รู้สึกทรมานตามร่างกายมันปวดไปหมดเลยครับเป็นเพราะอะไรและผมต้องแก้อย่างไรหรือให้นำสิ่งที่เกิดนีม้มาพิจารณาร่างกายได้หรือไม่ครับได้พิจารณ า, าร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้ามันไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดานั่งนานๆานมันก็ปวดแต่เวลานั่งจิตสงบจิตไม่ไปรับรู้เรื่องของร่างกายมันก็เลยไม่รู้สึกว่าปวย แต่พอออกจากสมาธิมามันก็มารับรู้เรื่องของร่างกายมันก็มารับรู้เรื่องของความเจ็บปวดไปท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรผิดปกติก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวลุกขึ้นไปเดินไปยืนเปลี่ยนเอริยาบทมันอาการปวดเมื่อยต่างๆมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่มันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายคําถามจากคุณปัญญาพัฒนการปฏิบัติที่กนะ้าวหน้า จะมีวิธีอย่างไรสังเกตได้อย่างไรคะก็ปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นการสังเกตอย่างหนึ่งเช่นเราเคยปฏิบัติชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติวันละสามชั่วโมงอย่างนี้ก็ก้าวหน้าทางด้านเหตุส่วนทางด้านผลก็คือเรามีความสุขมากขึ้นจิตเราสงบมากขึ้นความโลภความโกรธความหลงน้อยลงอันนี้ก็เป็นเป็นการวัดทางผลต้องวัดทั้งสองส่วน วัดทางเหตุด้วยวัดทางผลด้วยคำถามจากคุณฮอลลี่หากมีผู้เบียดเบียนเราแล้วเราวางเฉยมิตอบโต้ใดๆจะทําให้บุคคลนั้นยิ่งเหิมเกริมเบียดเบียนเรามากกว่าเดิมใหม่เจ้าคะถ้าพฤติกรรมมากขึ้นและรุนแรงกว่าเดิมเราควรจะปฏิบัติและวางใจอย่างไรเจ้าคะเขาจะเหิมเกริมมากหรือไม่มันมันมันเรื่องของเขาเราไม่รู้หรอกมันไม่เกี่ยวกับเรา ส่วนที่เกี่ยวกับเราก็คือเราไม่ไปวุ่นวายไปกับเขาก็พอคือเราเฉยแล้วก็ส่วนเขาจะเป็นดีช่วยอย่างไรมันไม่ใช่เรื่องของเราขอให้เรารักความสงบรักษาความสงบความนิ่งของใจเราไว้ก็พอวันนี้คำถามหมดอีกแล้วค่ ะ, ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวก็เข้ามาใหม่วันนี้คนดูคงจะมีปัญหาติดติดต่อเข้ามายากก็อาจจะเป็นที่ต้น เดี๋ยวนั่งไปสักพักก่อนเดี๋ยวเหลือไม่นั่งเหลือแค่สิบกว่านอาทีก็หมดเวลาแล้ะอันนี้ก็นั่งรลอบพักผ่อนไปในตัวมีมาคนหนึ่งคะ่ะชื่อคุณทัศนีนั่งสมาธิไปสักพักรู้สึกตัวว่าเข้าผวังหลับไปทำอย่างไรจะให้เข้าผวังแบบรู้ตัวได้คะก็ต้องลดเคยมาเดินจงกรมก่อน มาสร้างสติให้มีกําลังมากขึ้นสติหมดเหมือนกับรถที่เติมน้ํามันนั่งน้ํามันหมดรถมันก็จอดวิ่งไม่ได้เราก็ต้องไปเติมน้ํามันเพิ่มน้ํามันแล้วรถก็จะวิ่งต่อไปได้สติของเราเวลาเรานั่งไปสักพักนึงเราเหนื่อยมันก็ค่อยๆหายไปหายไปแล้วก็พุบหลับไปถ้าอย่างนี้เราก็อย่านั่งลุกถ้ารู้สึกตัวก็รีบลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดินจงกรมก่อน พุโทโธพุโทโธเลื่อมาก้าวหนอวางหนอให้มีสติกับคืนมาก่อนเดินไปนานๆเดินให้มันเมื่อยจนทั้งเดินไม่ไหวแล้วก็กลับมานั่งใหม่แล้วก็จะไม่ง่วงจะไม่หลับสติของเรามันยังนมลุกคุกคานอยูเออ่เหมือนไขาลานเนี่ยเวลาไขร า, านรายการสมัยก่อนใช้ไาขาลานพอไขาลานมันก็เดินไปได้พอหมดลานมันก็หยุด พอหมดลานหยุดมันเราก็ต้องขาลานใหม่เคยเห็นนาฬิกาข้อมือสมัยก่อนไหมแบบที่ต้องขาลานทุกวันวันหนึ่งขายหนึ่งครั้งยี่บสี่ชั่วโมงต่อมาเขาก็มีนาฬิกาแบบอัตโนมัติไม่ต้องขาลานสติของเราถ้าทําไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะกลายเป็นสติอัตโนมัติไปไม่ต้องมาคอยไขาลานหลวงตามท่านชอบใช้คําสติปัญญาอัตโนมัติน ตอนต้นมันก็แบบคล้ายลานก่อนสติก็ต้องคอยดันมันปัญญาก็ต้องคอยดันมันบังคับให้มันคิดพิจารณาทมอยู่เรื่อยๆแต่พอทําไปบ่อยๆเข้ามันก็เลยเหมือนกับรถที่ตอนต้นวิ่งไม่ได้เราก็ต้องเข็นมันฮะมันสตาร์ทรถไม่ได้เราก็ต้องเข็นมันไปก่อนเพราะเข็นไปจนกระทั่งเครื่องมันติดทีนี้มันก็วิ่งไปได้มันก็จะวิ่งไปเดนไม่ต้องเข็นสติปัญญาของเราตอนต้นก็อย่างเนี้ย แบบขาลานยังไม่เป็นแบบอัตโนมัติต้องพยายามบังคับมันให้มันพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อ ย, รอยหรือถ้าจะพิจารณาธรรมก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราผิดไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วต่อไปมันเห็นอะไรมันก็จะเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเรามันก็จะไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นคําถามจากคุณลาวานัน พลังจิตหมายความว่าอะไรต้องใช้เวลานานไหมคะพลังจิตที่เราใช้เพื่อฆ่ากิเลสนี่คืออุเบกขาคือความนิ่งของจิตความเฉยของจิตเห็นอะไรก็เฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถ้าไม่มีความรักชังกลัวหลงมันก็จะไม่มีความโลภความอยากความโกรธอันนี้คือพลังของจิตที่ฆ่ากิเลสแต่พลังจิตอีกแบบหนึ่งนี้ ที่พูะเจ้าไม่ได้ส่งเสริมก็มีคืออภิญญาต่างๆเรื่องการ เ, าเห็นอเล็กออดิได้การติดต่อกับกายทิพย์ได้การอ่านใจอ่านความคิดของผู้อื่นได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นพลังจิตอีกอย่างแต่มันไม่เป็นพลังจิตที่พระเจ้าสอนให้ให้สร้างกันเพราะว่ามันไม่มันเอาไปสู้กิเลสไม่ได้เอาไปแล้วมันจะกลายเป็นลูกน้องของกิเลสไป กิเลสจะหลอกเอาไปใช้แทนยันระวังพลังจิตแบบนี้อย่าไปสนใจให้สนใจพลังจิตคือความนิ่งความสงบความวางเฉยความเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้อย่างที่คนเมื่อกี้ก็ถามว่าเห็นเขาทําเห็นแมเห็นแม่ค้าเอาข้าวที่ตกไปพื้นกกยกลับใส่ทุงใหม่ก็ดูเฉยๆไปะไม่ได้ไปวุ่นวายไปกับเข า, าเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขา ถ้าคนไม่มีอแบบค้าจะโวยวายขึ้นมาจะไม่เอานะอย่างนุ้นอย่างนี้ขึ้นมานี่ก็คือเรื่องของพลังจิตที่พระเจ้าสอนให้เราสร้างคือให้ใจเรานิ่งเฉยไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆเราจะได้ไม่ทุกข์ต่อไปเวลาร่างกายแก่เจ็บตายเราก็จะเฉยคำถามจากคุณพัฒนานเทวดาประจำตัวมีจริงไหมครับก็ถามตัวเราเลยมีหรือเปล่านะ าามเรไได้ไงคำถามจากคุณนุชเห็นเดี๋ยวนี้เขาสร้างพระและโปรโมทหนังเรื่องพระที่เขาสร้างในใจรู้สึกว่าเป็นพุทธพาณิชย์ใจนี้ไม่ชอบแล้วอย่างนี้บุญที่ทำกับเขามันจะไม่ได้บุญใช่ไหมคะเอาได้บุญที่เราทำก็ได้คือการเสียสละเงินทองของเราไปนี่เราได้ตรงนั้น ส่วนจะชอบไม่ชอบนั้นอีกเรื่องหนึ่งม็นคนละเรื่องกันคำถามจากคุณธรรมโมตั้งใจจะไปวัดแต่มีเหตุให้ไม่ได้ไปเกี่ยวกับกรรมหรือไม่ขอรับเกี่ยวกับไม่มีสัจจะมากกว่าถ้ามีสัจจะก็ไปถ้าเราตั้งใจไปวัดแล้วใครจะต่อให้ช้างมาลากก็ไม่ไปนอกจากสุดวิสัยน้ำท่วมพายุมาเรีย ว, ว่าไม่สบาย ลุกไม่ขึ้นอย่างนี้เอหรือตายอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าบอกจะนั่งสมาธิใต้ต้นโพนี้จนกว่าจะตัดฉลูถ้ายังไม่ตัดฉลูก็ไม่ลุกเนี่ยนั่นแหะมีสัจจะถ้าไม่ลุกจนกว่าจะตัดฉลูคำถามจากคุณวีระพงศ์พระที่จบกิจจบหน้าที่แล้วยังต้องเจริญภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ไหมครับนั่งนั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่อพักผ่อน จิตใจและร่างกายร่างกายนั่งนานๆมันเมื่อยก็เดินจงกรมเปลีน่ยนระยาบดจิตคิดมากๆ ม, มันเหนื่อยก็นั่งสมาธิหยุดความคิดชั่วข่าวแต่ไม่ได้ทำเพื่อฆ่ากิเลสตันหาความโลภความอยากความโกรธต่างๆเพราะไม่มีอยู่แล้วแต่ยังใช้สมาธิกับการเดินจงกรมเป็นการรักษ า, าธาตุขันรักษาจิตใจในขณะที่ยังต้องมาเกี่ยวข้องกับทางโลกอยู่ แต่ถ้าไม่มีร่างกายไม่ต้องมาเกี่ยวข้องทางโลกก็จิตก็ไม่ต้องทำอะไรจิตก็จะว่างไปนิ่งสงบคำถามหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วนะเลยข้าวนาทีรอคนที่เผื่อเกากำลังสง่งมาัเวเราไม่รีบร้อนไปไหนไม่ ใ, ใช่เลยนั่งนี้ก็สบายอากาศเย็น บรรยากาศก็เงียบสงบฟังเสียงนกร้องหายากเสียงนกร้องอย่าหาที่ฟังเสียงนกร้องไม่เคยมีละในบ้านในเมืองมีแต่เสียงอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดเสียงรถยนต์เสียงเครื่องจากเสียงเครื่องแอร์เสียงอะไรต่อเสียงอะไรเข้าไปในเมืองทีละครั้งแล้วหหอลเฮลพอกลับมาอยู่ในป่าแล้วเสกแหวมันเบิกบานมันสดชื่น เพราะเสียงมันเป็นธรรมชาติเสียงมันไม่กระแทกจิตใจบวชแล้วยางมาอย่างยังไม่มาเลยก็ขอให้เราใช้เวลาของเราให้มีประโยชน์ให้มากที่สุดนะเพราะเวลาของเรานี่มีคุณค่ามากแต่เราใช้มันไม่เป็นเหมือนกับมีของดีมีมีม ของดีที่จะเอาไปทำประโยชน์ได้กับเอาไปเที่ยวไปเล่นกันเช่นมีรถที่เราอาจจะเอาไปทำงานทำการไปทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองแต่ก็ไม่เอาไปกับ เ, เอารถไปเที่ยวกันไปสนุกกันสนานเฮากันแล้วก็ต่อไปก็ลำบากเพราะถ้าไม่ไปหางานหาเงินหาทองต่อไปไม่มีเงินทองก็จะเดือดร้อนเวลาของเราก็เหมือนของที่มีค่า ถ้าเรารู้จักใช้มันเราก็จะหาธรรมะหาที่พึ่งทางใจเวลาใจแล้วเวลาต่อไปใจเราไปเจอความทุกข์เราก็จะมีธรรมะมาช่วยดับความทุกข์ได้แต่ถ้าเราไม่มีธรรมะพอถึงเวลามันจะทุกข์ไม่รู้จักจะไม่มีจะไม่หยุดมันไม่ได้ต้องปล่อยให้มันทุกข์ไปจนกว่ามันหมดแรงของมันไปเอง ฉะเวลามีคุณค่ามากอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ได้มาอปฏิบัติธรรมมาสร้างธรรมกันเอออย่างน้อยก็เราเลิกพุโทโธพุธโทโธไปในใจก็ได้บุได้ทําละเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ทําได้หรือเราเลิกว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอต้องมีการพลาดภาคจ า, ากกันแค่นี้ก็เป็นธรรมละขอให้ทำสองอย่างนี้ให้ได้ก่อนนีก็ได้อยู่ที่ไหนก็ทําได้ ไม่รู้จจคิดอะไรก็พูดโทพูดโทรไปหยุดความคิดไปหรืออยากจะคิดก็คิดว่าเดี๋ยวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเดี๋ยวต้องมีการพัดพากจากกันคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิดประโยชน์ขึ้นมาเพราะจะนำไปสู่การมีที่พึ่งต่อไปมีข้อมาอีกั้มมีข้อหนึ่งคะ่ะข้อสุดท้ายคาถามจากคุณยงยุทธคนที่เลี้ยงสุนัขแมว แล้วปล่อยลบกวนมาขับถ่ายเขาเป็นคนแบบไหนครับก็ไม่มีความรับผิดชอบไงทำไรก็ต้องอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเดี๋ยวนี้ใาเมืองนอกเขาึงมีกฎหมายบังคับใครมีสัตว์เลี้ยงนี่เช่นพาออกไปเดินตามทางเดินน้ำมันขี้ต้องเก็บเองนะถ้าไม่เก็บถูกถูกถูกปรับได้นะเสียค่าปรับเพราะว่าไปทาให้สถานที่เขาโสโปรกเดินพาหมาออกไปเดินเ่นอย่างเงี้ย แล้วหมาเป็นขี้พอขี้ปั๊บเนี่ต้องต้องเก็บขี้หมานะหมาเป็นฉลาดนะคะเวลาเจ้าของเลี้ยงอะ่ะมันเ อ, อหมาบ้านเจ้าของมันไม่ขี้บ้านพันเจ้าขามันจะไปขี้บ้านอื่นเจ้า ข, ขาที่มือประจําอ่ะแต่อันนี้แม้ถึงแบหม า, หมาที่เขาออกไปนี่เขาต้องบังคับให้มี ม, มีมีเชือกผูกไว้มาให้มันวิ่งไปเล่นตามที่ต่างๆของพ่อเจ้าขาเมื่อวานนี้หนูมีสภาวะใจอยู่อย่างหนึ่งเจ้าคะ่ะคือ สิ่งที่หนูก็เคยนั่งพุดโธมาเป็นประจำแล้วอยู่ดีๆเมื่อวานนี้มีนัดว่าจะไปออกกําลังกายพอใส่ชุดกีฬาเพื่อจะไปออกกําลังกายก็อยู่ดีๆก็มเีเรื่องสภาวะใจทําให้มีเหตุที่ว่ามีบุคคลทําให้หนูรู้สึกไม่ไม่รู้สึกทุกข์ในใจแล้วหนูก็ไม่อยากตอบเพราะว่าถ้าตอบไปมันจะเป็นปัญหาหนูก็เลยตัดสินใจแล้วก็รับฟังเรื่องที่เขาต่อว่าหนู หนูก็ถอดรองเท้าแล้วก็เดินเข้าบ้านแล้วก็ไปนั่งสมาธิหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูทําถูกใช่ไหมคะอ่ดีแล้วละหนูคิดว่าถ้าควาสงบดีที่สุดหนูตอบคิดว่าอย่าไปมีเวรมีกรรมกับใครเเจ้าค่ะหนูคิดว่าถ้าร่างกายแข็งแรงถ้าใจอ่อนแอมันก็เท่ากันเจ้าค่ะใช่เอาใจดีกว่าเจร่างกายเอากําลังไงเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีเจค่ะเดีคิดถูกใช่หมเจ้าคะเดีก็ล่ะถ้าทุกครังไปปฏิบัติธรรมนี่ถูกทั้งนั้นเน่ย